สมสอนนักุฒิศาสตร์ชนะเป็นหนนอีกมุจกเกษรแกะเพียรข้อสานนักวุฒิศาสตร์นะเปนวันนนของไม้นของเกาเปิดย่ไดกับไม่ไม่จะนั่นเมื่อสิเกาเป็นี้กระามพอนี่เป็นขอสาคัญยากเข้าใจว่าข้าข้สอนใดๆหรือลัทธิใดๆมันสิเหนือพ้อวุทธศาสตรนาไปขันเข้าใจง่ายๆแต่ปฏิบัติยากการค้องเีก็คือเครื่องปฏิบัติยากที่สุด ด้านคิดใจสืพัฒนาคิดใจกับพัฒนาเงาสืพัฒนานด้านทรัพย์สินกับพัฒนาเงาขันบ่เชือคําสอนในพุทศาสนาละคำสอนในพุทศาสนานีสอนมัดในการข้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างขรบหมดแม่นย่ำอีกซะด้วยบรรยัตถูกอีกว่ามันบรรยัตพิษว่ามันบรรยัตข้อขางตัวมรรยัข้อขังธนรมะทิพย์ตย บรรยัตตามดินบรรัตยัดตามมัตตาวัดมัตตาตัวมัตตาอานัจมัตตาเหตุมัตตาผลเหตุมันสว่าสิเปล่บัญญัตว่าดีมันกลับเป็ีนไปว่าไรเหตุมันดีสิเปล่บัญญัตว่าตัวมันกลับลบเปลี่ยนไปน้ำข้นบัญญัติอันนี้กับว่าโเนื้อทำว่าไร การของจีบแถบเวณอบายวะมุลกไปตลอดอลรมานกันเลยอบายวะมดลูกทุกประเอย่างไฟไหม้โลกวิซ่าไฟเผาเผาโลกเผาทรัพย์จาของด้วยเผาทรัพย์ผูอื่นด้วยตาคนตางเดอเอาไฟอบัยะมดลกับเทียมพื้นใช้ไฟเผาเฮือนเอาทรัพย์เผาเสินแทงกันเนี่ยเฉพาะมาอันเดียวกันใจถึงทางอวัยวะมดลกใจถึงทางเอาไฟเผาบาดเผาเฮือน ข้าทรัพย์น้อศเจ้าของพัฒนาพ่ะขืนด้านคิดใจก้บพระขื่นด้านวัตถุนิยมก็า่รขึนด้านอุดด้านอุดมปฏิบัติก็ไฟอันนี้ไม่ไมัดไฟอบายยมุกอับายยมุายามกินข้องกวางนักเล่นย้นักเล่นสุรานักเล่ง เ, เรียนการพระนัน่งครบคนชัวเรียนวิทย์เกี่ยข่านทากันงาน่าในทางที่สอบอบอายยมุกทั้ง น, นั้นพอเห็นชิปเป็นเ็นเพชรเป็นสอบเี้เพราะบัญญัติเพชรเด มันยัดเอาไปท่าทางการิญมุขขาแปลว่าชิ้หายซึ่งหน้าซึ่งปากเลยอั้มบายก็แปลว่าไปท่าโมเมนไปน ท, ท่าชิบนหายชืว่าอั้บายอัมายะพูดย ง, งมุขขาแปลว่าอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากอันนี้สำคัญที่สุดนี่คือทํามะเรียนองได้ระเสพกับพระเจริญคนไปร่วงละเมิดสิหัสลาภาษากรชซาร์สีเดินจงกรมพ่อนะ่ะมดมือมดขึ้น เมื่อกินขา้าวกินปลากระตามสีประพฤติเค็งกว่านักนแตสามสีท่านทาสําร่วมกว่านก่นต่ากันเปิดโปงเอาไว้จะมกหละ่ะจังท่นนบอหล่อนเนี่ยเออ <c oughs> ร่วงโลกร่วงเจ้าของด้วยร่วงผู้อื่นด้วยวง้มเหมือนเคยกันไปบอหลอดพ่อเมีสิปันสมัครพรสานให้สักเครื่องนั่นแตสามไปบอหลอด ตระกูอันน้่งข้างจับตั้งยานาไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่แสวงพระพัสดุที่หายแล้วไม่บริหน้าพัสดุที่คําค่าไม่รู้จับประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสัตรีบริบูรณ์ทุสีนี้เป็นแม่เรือนพอเรือนผู้หวังจะดํารงตระกูลควรเว่นสถานเหล่านี้เสียอ้างตั้งสัตรีบุรุษให้เป็นแม่ขั่นพ่อขั่นทรัพย์สินสิ้งขับริวารศีลมีเท่าได้หลานกระาวบอยู่เลย รุกมือปดหลอดว่าถนนเห็นไปจักเห็นแก่ไปจับกิ่งคอานี้สําคัญที่สุดสําหรับชาวโลกสุกวันชาวโลกสุกวันณผู้ดไดบรญยัติอันนี้นขึ้นไม่จะเปลี่นเกี่ยวพระพุทธศาสนาไม่ต่ไปบตรอดเห่นนั้นเลือดจึงน้อง ก, กันด้วยทั่วโลกเรือดเลือดน้อง ก, กันด้วยทั่วโลกแต่ยังกับเพราะอบาบัยวะ ม, มุกนัอบัยวะ ม, มุก อ, นนอาัมโยมกับสินธรรมก็มีพ่อมาอเดียวกั น, ป, นปีนอภัยโยมปี น, น, นสินธรรมเท่กันมีพ่อมาอเดียวกันคอเนี่ยคอยพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายวมงลกทั้งหลายพี่น้องอยกันก่อนถ้ากันเว้นคันว่าเว้นคอนี่แล้วบ้ได้โลกเขาพาเปลี่ยเ็นโลกเขาพาเปลี่ยนเท่ากับเป็นหหอกก็ไม่ซิอยู่ไหมยิ่งเสยเรามันใจคนละนวยไหม มีอิสระสีสัางเวรใดอยู่ห้องถึงในบอดี้ห้องสิเว่นเนี่ยถ้าห ม, มูห้องเรนมาเนี่มันกแห้งหลเลยถ้าห ม, มูห้องลวดมันก็ลวยเพราแห้งหละ่ะมันก็ลวดจะมันกัดลวด แ, แต่กิพังสีพายล่ะจอดลงจอดล่องไฝม้ทั้งสองด่านขอนฝ่หม่ขอนสองด้านถ้ากลางก็ม่อีกแล้วม่ตด้กีเท่าเนี่ย ขื้นไฟเพื่อที่เอาโดดก้อนขึ้นมาไม่ได้ขีเท่าลงไปยับเยินลงกำน้ำวานลงใส่มหาสมุทรทะเลถ้าไ่จอดก็ยังบอเห็นมีส่วนซ่อนอาทางบัวเหืงาหัวบ่ อ, อาทางลัด ม, มันมันบมันได้ทางลัดที่ปัดเสียทางลัดมป็นชีวายทางลัดอ๋อสนอโ่อยเสียครับ ดื่มหน้เาเมาเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคต้องเตรียมไม่รู้จักอายทอนกําลังปัญญาพระพุทธเจ้าที่เอาควคือมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายนักถูกใส่ความได้ความลำบากมากเชื่อดูกันเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดู รำที่ไหนก็ไปที่นั้นเด็ดสีที่เป่าที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นสะโพกที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดเธอที่ไหนก็ไปที่นั่นเขาคนที่ว่าเป็นมิตรน้ำให้เป็นนักเลงหญิงน้ำให้เป็นนักเลงสุราน้ำให้เป็นนักเลงเรื่อการพนันน้ำให้เป็นคนลวงเขาโดยของปลอมน้ำให้เป็นโกงเขาเป็นคนโกงเขาชิงหน้าน้ำให้เป็นหัวไม้เกียดข้ามทำงานมาใครอ้างว่านอนนักแล้วเอามาทำงานมาใครอ้างว่าร่อนนัก แล้วอามาทํางานมักเคยอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วมาทํางานมักใครอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทํางานมักใครอ้างว่าหิวนักแล้วมาทํางานมักเครอ้างว่าระหายนักแล้วเอามาทํางานพวงเจริญโดยพวกกระซับจงเล่นเหตดเครื่องชคลียบหายเหล่านี้เสียนั่นความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงโซลาความเป็นนักเลงเรื่องกางพนันครอบความครบคนชั่วเป็นเม็ด ถ้าวนน้าห้าวเบคนซัวมันกรพ้ามันกระวน้านไปสัวขนหาวเป็นคนสีเราคนสีเราสีไรกับมหาหา้าวเหขันหาเป็นคนการพดั้นคนปฏิการพระดั้<ง>นใชกว้าห้าะเหรอขัทห้าวเป็นคนตม้มตุ๋นคนตม้มตุนสีไ ร, รกับมหาห้าวเหอวันทัาไม่าไปีทั้งขางเลยนอพระพุทธเจ้าพระสอนมู่ข่าสามบาลเมฆมาหลายอสองงขยแสนราคากับ จังแมาเป็ี่นจังไดนมาเป็นพระพุทธเจ้าเพ่ิมารู้โลกรู้สักทั้งหลายออกจากกองทุกออกจากความิดของจัอกเเสรจได้เล็กละน่อยจึงทรงพนมา ม, มว่าโรกำลัู้เป็นพูแกงโลกแ้จไปหลุด้่าพระพุทธเจ้าพอหลุดแจงโลกเข้ามาหล้ดแจงโลกหลุแจ ง, ลลแจงมืดเหตุประพฤติไปยังสั้นมอะไผลยังไรก็ออกไปมืดเหตุประพฤติไปยังสีส่ไม่ใชผลยังไรก็เลยมดอ่างดเหสางขึ้นังสันไม่ใผลย เกลามัดวานพืชแชนะหมกระเด็นผลที่ <SH sessions> Although, But, like igent, like so, like ันวานพืชชิบหายเสีให้ยในผลทั้งเจริญมันก็ดอะไรว่างวานพูดทั้งเจริญเสียหายในผลทั้งชิบหายมันก็เป็นไปอะไรมันวันนี้จากเหตุเนี่ยทำทั้งหลายว่ามีจากเหตุเนี่ยทมันนตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าที่นี่เป็นเหตุแห่งสุขที่นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตันนึตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุกทุกขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตันนึกตาความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราว่าโดยชาติตรกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารและความรู้คุณทําเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรพิจารณาให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตรต ด, ดตันยตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเรื่องเรื่องชีวิตในทางที่ชอบและรู้จักในการบริโภควิจัยใจแต่พอควรการันยศตาเป็นผู้รู้จักการะเวลาอันสมควรในอันประกอบเขีย น, นั้านนั้ น, นจังแต่สิ่งว่ามีกระดูกพระพุทธเจ้าสอนเพื่อมีของสแสดงเมื่อเกียรผล เมื่อเประโยชน์แก้ร่างกายแก้คิดใจทั้งนั้นเป็นอาหารนะเมี่แต่มหาทรัพย์ทั้งนั้นข้ามสอนพระพุทธเจ้าเป็นมหาทรัพย์มหาเสนมหานิยมเหอนออกแกะข้ามสอนพระพุทธเจ้าไปแล้วว่าเป็นมหาเสนหมหานิยมห ม, มหาชิบผายมหาวยบอดโอ้ยนะในทางผัวเขาอยากพระพุทธเจ้าสอนด้วยยกย่องนักถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูไม่เห็นด้วยไม่ประพุติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ภรรยาได้รับบำบัดลงแค น, นี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีดังต่อไปนี้หนึ่งจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไม่ไปพึ่ดร่วงแก่ผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในไว้ขยันไม่เกียจท้านในกิจการทางปวงนั่นนั่นนัน่นผัวแล้วเนี่ยผัวเนี่ยตาไฟตามีอย่างขี่ ต, ต่อกันแล้วควนทะเลาะเบาวแวบงมาจากสาไหนควนชี้หัวเบาเบาเฉีวมาจากสายห น, อนบอ ม, มีอันนี้ยผัวกินฟรีมันเก็บกินกงกา พวกรินกันซ่ามิอาจคนเหมือนขี่เท้าพว ก, กินเราไม่อยากคนเพี้ยนน้ำลาย <c oughs> มัน <c oughs> มันเฉริ้นมันกเ็เพี้ยนโบราณบรรมอดเด้หลุกลานเลยโ <c oughs> บราณโบราณโบราณข้ามสอนของพวกคนราาักจอมมันไม่มาแซงยักษนนอลเลย ข้อมไหนมันมีความผิดมันไม่มีจักบวรดนย่เดี๋ยวนีที่พนอกมานี่ยมันมีบนผิดจักบวรนี่คเท้ารักษาโมนี่เพราะอะไรเท้าสิประพฤติจได้เนี่ยอันละเอียดละอ่อนยังมีหลายความสิความสอนพระพุทธเจ้าอันของหยาบสนายังเห็นเมื่ไรร้าฮอลกถ้ามาเข้าพุทธเจ้าอันของละเอียดก็นี่ก็มีบนสิประพืชออกโลกกันยังไม่มีอยู่อันนี้การท่องคิดอามากินได้เนี่ยเอามากินยั่ในโลกซื้อได้เนี่ยอันประพติออกจากออกจากโลกไปเัี่ยีอว่าเนี่ยไห อันนี้เกิดมาเน้่มันม่ปากขมาของคิี่เป็นการข้องเชีบอะไรเนี่ยธรรมารอาชีวะเรื่องชีวิตชอบเลยธรรมาสรรมาอาชีวะเรื่องชีวิตชอบไม่เล่อมาเรื่องชีวิตในทางถูกผิดธมาวายามะพยายามชอบพยายามละช่วยทําทําดีเรียกว่าสรรมารวายามะในระหว่างครบมิตรพระพุทธเจ้าสอนอ้าวมิตรแท้มีดังต่อไปนี้มิตรเป็นอภิกระ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนประโยชน์มิตรมนความรักใคร่มิตรมีบุคลากรมีลักษณะดังนี้ป้องกันเพื่อนทั่วมาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนทั่วมาแล้วเมื่อมีภัยเอาไปช่วยชุมคารักได้เมื่อมีสุระช่วยออกซับให้เกินกว่าที่ออกฝามิร่วมสุขร่วมทุกข์ขยายความรับของตนแก่เพื่อนปิดความรับของเพื่อนไม่แฝงพายไม่ละทิ้งไม่ยามในบหัดแม้ชีวิตก็อาสระแจนได้ เมตแท้ประโยชน์ข้าแมนก็ทำความชื่อแล้วตั้งเงินความดีอนุเคราะห์ด้วยนั้นม้อมใจอันงามบอกทางสวัสดิ์ให้มเมตมความรักใคร่ทุกข์ก็ทุกข์กด้วยสุข ก, ก็สุขด้วยก็เถียงนคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนนั่นการพมิพระพุทธเจ้าก็ร้อนแล้วมิตจำพวกนี้เป็นมิตแท้ควรครบเมตไม่มนควรครบก็มีดังต่อไปนี้ คนปลอกล้อคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิพหายคนปลอกล้อมีลักษณะดังต่อไปนี้นน ม, มีลักษณะดังต่อไปนี้คิดเอาจะได้่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาใหาได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทํากิจทุระของเพื่อนเพื่อนพอเห็นแก่ประโยชน์ของตัวคนดีแต่พูดมีลักษณะดังต่อไปนี้ เก็บเอาของรงแนวมาปลาใสเพื่อนเพื่อนใหน้เงินจะปล่อยบาทแดงโอ้ยตะ ก, ก่อนไม่ยู่ใไ้เชี่ยวเดี๋ยวนี้บุ้บมบ้าะเก็บสองเก็บเอาของ ท, ที่ยังไม่มีมาปลาใสเออเงืนงเดือนออกตะกอนเห็คล้ายๆอันตะกอนเคื่อนเพราะว่าเ <laughs> อาของที่ยังบุ้มีมาปลาใสออกปากพึ่งไม่ได้ชักส่วนในทางชิบหายมีลักษณะดังนี้ สักคนดื่มน้ำเมาพ <C ül üyor> ุ่นเรายุ่หันขนมหวานหวานอ่อนได้เที่ยวไปเถะเฮาเขาว่าเาออเราโทษเราเด็ดเขาเขามาไอไปขายกวดท่านท่านเห็นว่าไปเสี่ยวเขาว่าว่าันวัดสันมึงถ่าดีๆกูเอามาให้เาวาา่านี่สักคนดนึ่งน้ำเมาสักวนเที่ยวกลางคืนไ <C ül üyor> ม่มีประโยชนเทียวกลางคืนเชียะเมกาลี่ได้ย่ง า, างอย่างนี่นั่นละพะดละที่ไหนดีๆมาใหม่ๆเพื่องานแบบดีเฮาแล้วมั น, น ที่ไหนดีๆมาใหม่ๆเพื down, In ace, ่อนแม่เ hmm. ห็นเหไม่เฮาแล้วมันกเกาเขามาแล้วหรือว่าอะไรสักสักคนเที่ยวดูการเล่นเขาเห่นนั่นย้อนเขาเหรีย่นี Sisters ่ยู่นี่มาไปเที่ยวเฮาไปว่าสักกระบากับป้องแหงวันสื่อนี่ได้สื่อนี่ได้เที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันชักควรลนการพนันว่าสักโอ้พระยุบันหันชิวเธอได้เห็นได้เินเขาเหรอหรือว่าไปเฮาว้า ดักพึงไปใหเนี่ยซาเพิน่นซาดีซาโต้ซาหิงออกด า, า, าบเพิ่นรานเี่ยโมรานเพิ่นห่อขีิกระมยตัวขีกระไม้นี่มาไปเชี่ยวเมื่<ะ>อหันชี่วจะแทะพระเพราะว่าเอีิวถ้าคิดหายหันเนี่ยไฟอ่ะมอนเขานนี้ฮ้ยนเขาตอนนี้ดมอนตอนน้ขัดเชวนไปท้างนั้นเชิไปไปว่าไปว่าไปสร้างเศษสร้างถัำสาเซียวว่าสั่สร้างเศษสร้า ง, ง, ง, งเป็นกระรากาุนหน้าเฮาเพราะวะ่า ต้องสมฐานะให้กับประเด็นคาเตา่าชักส่วนดื่มน้มาเมาชักส่วนเที่ยวกลคืนชักส่วนให้เมาเมาในการเล่นชักส่วนเล่นการพนั้นเม็ดจํำพวกนี้มันไม่ใช่เม็ดเป็นแต่คนเทียมเม็ดไม่ควรคบมาพระพระพุทธเจ้าบอกไปว่าละ่ะเม็ดดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนตัวก็ากีดกันจะไม่เม็ดดีสหายดีจะทําทดีคนหัวประจกมีดังมีมีลักษณะดังต่อไปนี้ จะทําดีก็คล้อยตามจะทําชั่วมันก็คล้อยตามต่อหน้ามันก็วาดสารเสริญรับหลังมันก็ตั้งเนตาคนจาพวงนี่ไม่ใช่มิตเป็นแต่คนจำมิตรไม่ควรคบพรบรมศาสดานะบอกใครวัดล่ะการข้มิตรข่ว่าใช่ว่าบอกการบ้านการเมืองการเที่ยวโรดกการพุ่มมรดกตัวพ่อพุทธเจ้าสิหามว่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองสิเอายังมาสอนญาติโยมสร้างว่าอ่าุยเนี่ยเขาเสียงมดหอนมือตายคนเนี่ย ทำพระว่าให้เป็นการว่าการเมืองจะเห็นอย่างไรจะเอาอย่างมาสอนหยาดสอนโน่มจะเออย่างสอนจะฟ้องสัง่งเขาเถียงให้มือตาอยอันนี้ลบลาขาฟังกันพระพุทธเจ้าเขาว่าอะไซ่องเสริมมันก็มีอะไรสิ้นลรอเขาเนี่ยอันนี้เป็นปีนปีนเกี่ยวเสี้ยนหาอันนั้นบ่แม่นละเราสั่ น, น, น, น, น, บบนว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นดิงเนยเป็นดิง น, เ น, งนะเป็นดิงอยู่ที่บริษัทยางเขาไปเนี่ย ข้อมจรอ่ะอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตังสาาการังจรุงเีย่ะ่ลเอียงเขาก็ไปนี่ยสร้างไม่เท่กันนะสิเนี่ยมาตประเทศได้ก็ตามขันเจว่าอาศัยเงเจ้าก็ไปไ่ได้เ่กันเนี่ยศาลพิพาสาตัดคดีทั้งหลายเท่ากันเจ้าว่าอาศัยควอมจรเจ้าก็ไปบ่รอดคือากันเนี่ยเจ้าข้อรับสั่นเจ้าของเจ้าข้อรับสั่นอยู่มันจังทีตัดสินเป็นได้ มองฉันะเจ้ากินเต้าโตเจ้าของเจ้าก็กินเจ้าโตเจ้าว่ากินเจ้าของเจ้าว่เจ้าว่ากินด้วยสถานเนี้มันจ้างคุจักเนี้ยมันจะเขาจะเป็นไปได้เนี้ยเจ้าลำเอียงเจ้าก็ต้องของเจ้าว่าเจ้าลำเอียงเจ้าว่าลำเอียงเจ้าก็ต้องของเจ้าว่าเจ้าว่าลำเอียงอยู่จะเขาเป็นไฟได้อันเนี่ยผลของเจ้าลำเอียงมันนํามาจางไหนเนี้อ๋อผลของเจ้าว่าลำเอียงมันนํามาจางไหนเนี้อแล้วเจ้าต้องเป็นพวกของจักในตัวเจ้ามีอิสระที่ของจักอันใครว่มีอิสระพอคิดใจดอก แตเถึงทางทรดีย <c ười> ังสชนะใจถึงทางทรรมัวควใจถิงทางธรรมซวปวกปิดชนะใจเถึงทางทรดีวัความัวมันปกปิดความดีความดีมันก็ปกปิดความัวความจริงว่าุกปิดดาวหรอมันก็ไหนอยู่้องาห้องมันเนี่ยแหละทั้งหนึ่งมันทังดีทังนึงมันทังัวเขาเปิขาสามันกับอยู่นพมันพ่อภพมันวเลือกเอาว่าเป็นห้าเอามัหนึ่งห้อง เมื่อหนึ่งควอมกันที่ซื้อต้องเลือกเขาเปลือกเขาสานว่เป็นเอามากินมาหุงความกันระยะขีมมาล่าขีมาแหงอย่เเอ ง, เ, งเก็บได้ขวใแทปากวัดถอยมันเป็นเอาเสัตว์แล้วทำรับกินก็ต้องให้เลือกหลังทารับนอนเพอต้องให้เลือกการข้อคีบก็ต้องเลือกว่าเลือกว่าไรทุกเอาเขากินมันเจอก้างแลว้ววะยาพิษเครลมน้ำตาลตร ง, ตร ง, ตรง ว่มั น, ม น, น, านะะยาพิษานี่ยาพิษตรงๆเตอายงะะ่มันงเคือบนาตากันยังคะได้หรอวยาพิษตรงๆของฉันอะเยนสูงๆเมีเพื่นมึงอิทธิสูตโตสซลาสูตโตกนันมาเช็ดหายทั้งนั้นรอดทั้งนั้นมหาจะร้ายประตูกับปตูเดียวท่งนเอาเนี่ยเอื่นมาเป็นเป็นจแรกๆ ย, ง, ยงมันเดียวเช็ดหายเหือกันะเงีเราบาง น, นเป็นแรกๆอยง้มันอยากแตกกันกนับเมียรับผัวผัวกเมียกได้ อเมี่ยก็เป็นนักเลงกลมาลบังโลแตกกันกระพั่เรามองเราพอมาลุภูเขาว่าทีนี้มาบวดเนี่ยรักเรนสูบอะไรภูเขาเนมงคนผู้น้อยด้ล่างไงล่างไงของภูเข า, า, าเอ้กวาปางซางเนี่ยเราไม่อารักเรียนสูบมาอบานี้ไปขาดมาอบเขาเจ้าขอกนต๊อเกินมาพรเดเคนมา ขค้นมาเราจะสงสัยแหละมันเป็นกระปกัน ต, ตรงนี้เนีเอาใบ้เนี่าขึ้นมาไปไกลเติมแร้วแล่ะสัญญาณพระท่า น, านมาทำมาทำมาทำมาเหยียดมาขี่ส่เหยียดคับปัญญ อ, อ, อแล้เท้าส้ำเทือแหงอะไเลยไมมันกบวยูกันเลย อ, ออกบวชอะเนีญญ่ย ผูออกถือก็สั่นไข่เราก็พวกยังไปคากันในเว่นในไพ่อีกอ่ะเป็นธรรมเทศนาสอนอาบายามกเนี่ยองวันในหวงระเมิดได้อยู่ตั้ค า, านวะแม่เพิ่นห้ากับวเล่นเชเทือสันพี่น้องสิสัน่าพี่น้องเมื่งแล้วตอ น, นั้นอบไก่ไกไก่เนื้ออื่นบตรไก่ทางกาบมาลงขอรอกี่สุ ทงเรียนกาแฟนั่นเข้าไปซื้อเท่น้หยรัฐบาลมันมาถือล้วเข้าก็นแ้เจ้าพออแม่กูออกเสงม่ยุ่งผมเศร้านาเรียนกูว่าสันพ่อแม่กูออเสงไม่ยุ่งผมเศร้านาเรียนกูว่าสันเรื่องอบายมุกนี่ครัมีผู้มาผูกออนช่วยหายวัดหลัดเสียเสื่อเสียงเลยถือเขาก็ว่าเอามาจะบรรทัดวัถือเขาออมาจะบราทัเสียเสื่อเสียงมัดอบายมุก ค้นใจสูงคนทั้งชิ้นทั้งถ้ำคำนั้นคำนันตีเสียนเนี่ยได้ข้นปฏิบัติตอมเพราะเขาไปเป็นบัณทิตอันนว่าแม้นบัรทิดเนี่ยเอาเป็นประวัตบ้านมื่อไรเนี่ยดีมันมาดีก็มีเนี่ยบดีมันาดีก็มีเราสิกินเป็นระยะระยะมันพียงดอกมันวางันว์คำว่าเล็กว่าสัตมันก็ดีตะบะได้ละคันได้ละมันกะดีมันว่าสัตวอภัยว่าปัได้จะเคลียรไม่มีแต่บันที่หายเนี่ยธนาคารเล็กกับบ้งนี่ น่าข้านอบายยมุกกระบอกนี่มีแต่ชิมหายบัดเป็นนี่เป็นเสียงกันด้วยสมเอนีต่มาจากพักตัวได้ก็มาจากจากพักตัวอบายยมุกนี่แหละโลกสมเอญโลกสมเอรอบล่าขาฟั่นกันมั่นเปี่ยงมากนั่นก็มาจากอบายมุกนี่พระพุทธเจ้าการค่าขายพระพุทธเจ้าก็หามค่าขายเครื่องประหารสาตตาอาวุธคมข้างเดียวในสองข้างเป็นต้นค้าขายเครื่องประหารหลูกระเบิดจับเขาได้ ชาวทหารมันหอกมันจัดเขาในชาวทหารมันปืนมันทาโนเปล่าม่นกองผข่งมันจัดเขาในชาวทหารทหารมันแห่อวนมันจัดเขาในชาวทหารทหารมันค้าขายชาอาหารค้าขายสัตว pues ์เป e. ah ็นลรเนื้อสัตว์ที่เา่าเเป็นอาหารขายหมูมนขายงวงเหลืองงวงเหลงก้วยไปถักขายมันชิขายสังหนพวกเห็นคนได้ทำปลาไว้ไม่ดอก เรือ่อนองปูเราปลาไ้ถกคายมันเรื่อใกล้ไปถกขายมันเรื่ยเปชรไปถาคายเกยไคลมันคุณเห็นผู้ดำเนทางได้ไหมค่าขาเสร็จเป็นเรื่อี่ตัวค่าเป็นอัหาค่าขายนำเมาพวกขายเรา้ายยากขบเห็นผู้ใหเจริญนี่พวกขายาเราขายยาค่าขายยาพิรเนากค่าขายยาพิรนี่เขบอเห็นผู้ใหเจริญนี้วที่จ้บอกไรเมื่อไหฮะโลกทั้งหลายกับขายเอาวัตถอุตสาหะ รอบล่าขาฟันกันกับทุกขอมหยาเนี่ยอ้อพวกถือมามีบาไม่บนข้าเจ้าไปรอดอรว้อหมดแล้วขาเจ้าไปว่ารอดได้เสือถ้เสือตอัดกันเขาโ้่นั่นโรคมันชิบหายเพราะเหตุอย่างส ม, มุทรานว่าของยักพอเอาส ม, มุทิว่าไส้เนเท่านี้พอเมย์พอเมย์กับลูกพ่อเมย์ก็ไดปันทรัพย์ให้ลูก นี่ทราบพงศ์ส่วนหนึ่งนี่ทรูงส่วนหนึ่งมามาเลีนการพาเรียนกานเตาะวะสัก อ, อ๋อฮะย่ำพอเน่ยย่ำพอพ่อแม่ถือแพ่พ่อแม่ไว้ลู ก, กวนลูกลูกถือแพ่ลูกก็มาลูกกวนพ่อแม่ อ, อ๋อรัฐบาลเป็นพอ่อเป็นแม่ประชาชนเป็นลูกพ่อกับแม่เรียนลูกเลีนวัดเรนเบอร์กันนะโอ้ยอีพ่ออีแม่กูเ อ, อ้ยย่ำได้พระชาิชนเจ้าหาต่บุญรัฐบาล น้ำแร่รัฐบาลที่หามาหุ่นมาชาต้อนตาคนตาตัวกันญาตคู่กับตัวลูกศิษย์ว่าปฏิวัติเช่นธรรมลูกติษกับตัวญาติคู่บ่กปฏิวัติเช้นธรรมรัฐบาลกับตัวหลักสรรมวัตรัฐบาลตาคนไม้เอาเองหักรรมกัตัวรัฐบาลตาคนไม้เน่ยว่าเขาลเพอนั่นนั่นว่าเขาตัตาแม่เอาโยงทะเลาะสี่ตาคนตาติเตศตากันทันญาตรคู่กัติเตศ อ๋องานอ้อยงมงานโยมที่เทศอ้อยงคู่ตลอดทั้งพระเน้นเม่จักพรสศิเป็นอาจารย์กันเม่จักพระิไปนูกซิกกันเสมอนี่เอา้มึงเออน้องหัวักดีอ้มนี่เดีท่นเกี๊บตัวปฏิวัติตัวคนถูกเข่าเบื่อเบื่อโลกอนี่ยมีผู้มหาเ่าวกเทศสิทธิ์ไห่าวาพไปเซวเขาเทศเจ้าเาก็บไปอืเหาอู่แต่ล่าห้อ เือคนน้เพิ่บอไปใเทียส่ไปเซว่าไปแล้เวโมหิวเทปวัฒนาฮาวาตะเที่ยวแตลางก็จะตายวะเ่วานสม่พูดไอ้โมหิวเทปกับเทียวไปเที่ยวไพ่บาตรไปเทเทปใช่ไหมเพราะว่าสนแล้วเขาวายโม่แล้วพี่สมุทรยุนี์ทั้งโลกกับพวกอม่ยตัวได้ยุติแตลางก็จตายยันแล้วเทปวัฒนาแลวแต่เทปอะไรจะคองฟังนันง่ายๆกูเดี๋ยวนี้วะผพ้ได้ดีกับไปเที่ยวฮทเทปุ้กคนใช่ไหมวะสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยทม่ยวมัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยส คำพระพุธเจ้าแม่น้แล้วี๋ยวอนี่พัตไปีรบก็ครบพดแล้ววะเขาขายสั่งราบอกว่าทนบอกันครบพัดเหรอพาสังพวกฝีเรื่องละเมิดมันอไม่แต่พวกมาหาธนันแล้วว่าสน่ห์ขาอนเป็นส่วนมากแล้วัันจะเกลีโม่ไปวัาทุคนดอกะยั่งอยู่ดอกส่วนเขางวะส่วนเหลือแ่มันไปพัดละรังนี่อ๋อม่น ก็ตำรวจมาเข้าว่าหายตัวจะว่าอันพักตัวไปส่งเสริมของเขาสั่งต้องเสริมเขาให้เด่นโเเดี่ยวอะไักั่นเขาว่วาสนาปวดไรกับวันไหนคนคนที่ข้าวหมาความดีข้าวหมดีพันยานพิษใจผู้ซัวคนดีก็ซืมโลกไปว่นได้ทีว่าจงไหนศาสนาให้อาถานต่อคนดีจะไนอาหานต่อคนซัวคนเรา ใจะถึงไม่ท่งดีนะไปใจเถึงไม่ทา้งตัวคนหน่อยแม่งผ่งแม่งพูยังเงผึงใจถึงทังเกลียส่วนดอกไม้แม่งว่านใจถึงทั้งขูดทิวงเลยมันกะว่าประชาธิปไตยมันแม่งว่านมันกะว่าสังคมนี้ก็มันทิวางได้สัมมันกะว่าคนมากหลากไปขะนี้เสียงข่าไม่ไหลอยู่มันกะว่าฉันทิวางได้สะมแม่งพูงกม่เผือมันกะว่าขนี้เสียงพูกข่าวไม่ไหลอยู่ฉัน ประชาธิปไตยของผู้ข้าเพราะพัวข้าตัดมันกระว่างสำเนาผู้นั่งผึ่งทั้งคนนี้ของพวกข้ามันกระว่างสำเนามันก็มีแนวอ่างผู้คนว่ะคนเฮาจะเอาผู้ดีเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอย่างยางปนนัเข้ากับผดีท่อเพล่นชัวเอาคนเสมอเข้ามาเป็นอย่างยางเข้ากับผู้ดีท่อเพลินอีกชัสวเข้าเพลินอีกสัวเอาผู้ผู้ต่ําก็โตกมาเป็นอย่างยางเข้าแทนตั้าของเพลินก็เพลินหลายไปอีกทางพันเท่าลานเท่า เราพูพันเดียมันเป็นย่างย่าปนนงคนยังบดีของสันอารมว่าสันแล้วห um, ้อมอเป็นพุทธเจ้าขาว่าบางคนบันนี้พุทธเจ้าเขาของดีตัวมาเป็นย่างย่าทั้งหมดเอกาเอาหมาคุนมงเป็นอย่างย่าเขาไปจิดจีดจีตัวเนี่ยมีท่าจีดจี่ติดกินเย่างที่มันเกิดที่นยากนี่ยังมีท่าไหนพุทธเจ้าก็สอนใจโลกทาตุว่าไงย่างต่วิท่าหมาพุทธเจ้าว่าออกมาสอนมีท่าหมามันไม่ได้สอนยากเลยบ่กไปจีดจีท่านไม่มีท่าไม่มวท่าทัาน นั่นมาสอนไม่รอดีนะดีว่าพุทธเจ้ามาสอนวัตหรอมาสอนใจโลกาธาเเจ้าจะเอาเป็นเรื่องของเจ้าเจ้าก็เอาเป็นเรื่องของเจ้าคอยกับดเดือนหลนี้คอยเขาซูฟานิพ่านก่อนก็ยืนยันยี่เรได้ว่าเขาสูฟานิพ่านเนี่ข้าสอนของเขาเนี่สิเป็นภาษาาแท้ท่านทั้งหลายบนาบายุเลยพระพุทธเจ้ามุเจ้ากเอาอยก็บดเดือนหล่ออยเมตตาพุทเจ้าก็แห่งกงเทพก็แห่งลยอยก็บวัดเพงสดอยว่าตอนั้นคอยกับวัดนสอน อุบาสกอุบาสิกาพิชุ ส, สมเ น, นตอนนี้คอยกบฏได้สอนอุบาสกอุบาสิกาพิชุ ส, สมเนนหรือเท ว, ทวดาเทวดาถ้าอินทรพุทธมโยมประกาศจะได้ดูกบาทังสี่ตอนนั้นว่า้าได้สอนตอนนี้ว่าได้สอนเ่อยะว่าได้เพ่งโทษคอยคอยเขาสู้เพระนี่พลาดยางสบายไนะม่ได้ามสอนนั่งทรงรู้ะารสอนแต่ละวัดละ บ, บ, บาล้านเป็นพระพุทธเจ้า ท, ท, ทุกพระองค์แล้วกระหนกันนั่นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนข้าเก่า เมื่อเดือน ย, ยนพ่อเราบอกกันเหมือนคนมายคนมูคนทอคนพก็ักกก่นน่เมื่อไปใช่เหรอเมื่อผู้นับถือพระพุทธเจ้าตายได้เกิดตายได้เกิดเท่ากัทนับถืออย่นี้เ <c oughs> มื่อเขาไม่ได่ไปใช้สอนมหาส ม, มุติเท่ากับนับถืออ๋ออารยอรว่าชนะระอื่นของเราไม่มีเพิ่พระธรรมประสงค์ท่ า, น, ทา น, นั้นเป็นชนะของข้าพเจ้านะล้วยการความสักนี้เพราะความสวัส ด, ดีกำลัแกเราเพุทธโทษนะครับกผู้หลู่ใจละช่วยดี ธรรมโมแปลว่าส่งไปสูงละทวังดีสังข้แปลว่าปฏิบัติละทว่รรดีก็มีค้อหมายอันเดียวกันนะถ้าโทษทโมสังข้อยู่ในจิตในใจเนี่ยต่นออกมานี่อ่ะคนบ่มีคนบ่มีไกคนไก่เป็นบลาไบเสี้ยนชนิดพิเศษมโนโองแก้าของพระซอนอคือคนงอคนเปียด น, นะเพิ่งกบออาเป็นทหารตำรวจอย่า น, นันสมัยนี้บ่มีเก้ไม่น่ารักษานาไปบงไงโมหับป้อกับปันบป่นไปนบางไง เพราะประทังประทังยังไม่แขวไม่ได้รักษาเนี่ยขัปันป่นท้ขปั่นลูกก็ได้แล้วก็มันมีสมเด็จพระบ ร, รมราชาลักษาน้องมีสันหนึ่งอีกรสันนัยอีกยูปมันหนาไง้มเด็จพระบ ร, รมราชาเป็นอย่างย่างของกุลบุฒทุทใเป็นมือขวาของพระพุทธศาสนะเป็นมือขวาของศาสตร์ของผมดึงดูนะด้วยอำนาจวัสนะก็เกิดกตะกูลจำได้สอดคอเขารถพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผมเกิดตระกูลสูงกรุงอนคามผูเป็นคนมีทรัพย์ต่สักกรสอบหมายท่านบุคคลผู้มีอายุยืนต่สักกรสอบรับสาศิเป็นคนประ่าทรัพรับทรัพย์พระคุณนิกามแล้วก็เป็นคนมีทรัพย์มีสินสรีสุกติงกันติเป็นสุขไกซุกไก่ซุนะทรัพโภคทรัพย์ุกเี่สรีโภคทสัทามีโภครัพย์ก็อสิน ที่องนี้พระติเ ง, งนีนที่สิไปพระนิพพานท้าข้อเพิ่นในวัฏฏะสงสารกระพื่อสีมเพื่น ว, <_ d> um> ว่าเพิ่นในวัฏฏะสงสารกระเพื่อเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายกรเพื่อนรูปงานเพื่อเหมือมี้อไเดียวกันผูดธรรมสัสูงยังมีอก ว, วันแะคลองขี บ, บางต้นมู้เฮามาถึงมันแหกไปบางไงเนี่ยมันทางมย่ไปที่ทังถามเพื่นว <_ d> um> าน่าังะเสียสะเสียส้เพื่อนวาน่าฟันงนะเอาฝันยังสั่นฝันยังส่เรียกตัวนั้นเรียกตัวนี้ ผ่าผ่าบี้ยเงนจะไปใสบาตให้กินหรือมาเบี้เบีนประเทาศานบ้านเมืองแทนที่ว่าที่เป็นที่เพของห้าของงอมเป็นที่เพิของหยาของงมเ่ไรอนต่า ง, งนนละละผลดัเกเขตต่างโลกคัดซ า, าี่พระสงเป็นหน้าบุญของหลกเป็นหน้าบาตเนี่ยสันผ่านเสผากันเห็นคนว่าช้าชําร่วมไปเบินทบาทส้ำรวมดีปะนี้วันถ้านั่นละไพ่แค่ต้องสือกให้แน่นเรขกกนันเพราะว่าสั้นผ่านาา น, น, าทำทาน้ำเส้นผ่นนนนกั น, น จมหามไร่ส่มเพราะว่ามึงอยากได้สัมผัสจมหนามไร่บ่าันะเอาสัมผาสจมหนไร่แสดงผาโรดคนเอาโลภพุทธศาสนาพยายามย้ำหนี่งว่ามันค่องคอยด้เพื่อเพื่อเพื่อความประสงค์หนเพื่อเป็นอาชีพก็มีคนเพื่อเป็นอาชีพภาคินก็มีคนเพื่อทำไรพุทธศาสนาเพื่อคนใจสูงเบื่อหน่ายก็มีไม่หลายหน่อยด้มีบาวนิดโอเพื่มเขามาที่ทำไรประเทศชาติบ้านเมืองโอเบื่อมเขามาไรเนี่ยแต่เน้ ขทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยอก่อนเพราะว่าพุทธศาสนานมันดึงดูดของคนใช้ประเพณีได้เนี่ยแตหันมากับมกับดึงดูดได้แต่พูกไม่นี่ใช้บาลามีแก่กลามาน่ะผู้บาลามีมาแก่กลางจไปว่าซ้ำไหนมนกับซ้าเก่าโยนแหนะจไปสอน้คนตาบอดสอนเข็มไม่ซําเก่าหเอจีไปเทศน้ำใสขวันฮวนกซ้าเก่าล้วผู้เทพเป็นบ้าชีพิทิวานา สิเวทีว่าครูเขีนว่าว่าแม่ได้ครูเท่หันไปว่าคูบันหัวเพราแห้งเหรอไปเทใส่ ซ, <c oughs> ซากันขี่ก็มวยตัวเขี่ยกรไม้พวกเรียนเลกเลีนพากกบะวยยอมเสียเปรียบกันได้บานี่นยคก็ว่าตัวในตลาดตแสนผลทำทาลงใหอ น, น, น, นไปคูได้มากใจผลเม่มกินน้ํากูบอกเพราะว่า ท่องแหงกินหมดหรือท่องแหงงูขี้กระม้อยตัวขี้กระม่วยไปหน่อ ย, อยห้มามผมีเครื่องเสบาะขณะทักธรรมะห้าวเลือนหลายกว่านี่ในว่าไปทั้งที่เขาซุดก็ามาหมอดปนพุทธศาสตร์สัญญาซองไตโสกษาตร์วัดละห้องกับซองเห็นไตโลกษัตริ์วัดเสมอเนี่ยหาไม่เกลียดเต็มพุงเลยห้ององเห็นวดัดไตรกษา เห็นอัน <interpret> น <ations> ี้จังคณะคิดทังข้าวเเห็นรอบเบิรตแ่ไต้ลกกรทามันเต็มไปด้วยอันี้จังเลย้องทะลุหอดผูเขาก่นหลุกระเบิดเขาทำลายกะแตกผูเขาขนาดแมนามวนแหงเดิ่ะดินน้ำไฟลมในไต้ลกรทามันมแต่อานาจอันนี้จังเลย่านดินทานน้ำท่าทุนไม่ท่าล่มแตกลงไปก็ไปเป็นน้ำแตกลงไปก็ไปเป็นดินแตกลงไปก็ไปเป็นไฟเป็นล่มเ้าะเกาดินนุ่นดินน้ำนุ่นน้ำนี่แหละก็ยขึ้นแด้อะไรมากนแตก่สาย เห็นคนเปเกิดขึ้นอย่าเปรอะโนแต่แจกแต่ไรก็เห็นตายโลกธาตบุตรคนเผ่าหน้าดีก็เห็นนรกสวรรค์คนนั้นเขาเเห็นแหละสวรรค์เขาก็เห็นแหละมันโมมันวัฏจักรเทวดาอินพุ่มเพราย่อเพราะการเกิดเป็นตายเป็นขื้นกันเรามีัไงอันไหนกี่ล่างอย่างยื่นใชว่าเรเห็นหลงตรงไหนนั่งขันพ่จันท่าไฟเสนายคบหลงจากรองไหยันที่พระพุทธศาสนาพฏิเวัติเพื่อนายคบหลงจักรองไหม จะคของเข่าจะพิดนางก็ไมหลงจะคของเมื่อวันมาหลงเกิดแก่เ็ขต้ยใต้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้แก้ได้เขี้ยใต้เสมอกันบดบดที่ไตยก้อนไต่ลุ่นกันเดียวกันส่วนหลกกดหลงกันไม่นักบอกเขากันตามท้าหน้าลูบที่สามหดแล้วไม่ว่าดอกบัวตูงกับตูงเต็ ม, มพูม่มดอกบัวบานกับบานเต็มพุม่มดอกบัวไต่น้ากับต่หน้าเต็มพูม่มดอกบัวเสมอหนามกับเสมอหนามเต็มพูม่ม ไม่อยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่ดอกบักวกอดเดียวกันนะ่ะเปรียบบางคนอยู่ไหนลกแต่ละดอกเปรียบแต่ละคนผู้ถืออไม่มีบุญไม่บาปถือไม่มีบุญไม่บาปอยู่ว่าไม่ข้างหน้าข้างหลังมันล่มหายใจเขาออทุกคูพ่นไปแล้วก็พ่นมาไปบ่มีข้างหน้าข้างหลังมันล่มหายใจเขาออกผู้ยังมมอเห็นทันทางสีเดินและสวัวทําำดีกับว่ามีข้างหน้าข้างหลังมันล่มหายใจเขาออก ผู้ตะเกียบตะกายอย่างุดจากผนรุก็จริงบ่มีแวงขึ้นาลงหาใจเขาออกมันมีควงขึ้นมันไม่ขนาดห้าร่้ได้ได้ในโรคลวนอานิจังได้ได้ในโรลวนทุกขังได้ไในโรลวนอนัตตาอย่าสงสัยในนาทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันจงทุกณาเห็นแจ้งในปัจจุบันเนออเจ้าอดีตคืออะไรคือปัจจุบันที่ล่วงไปคือนิทานของเจ้าปัจจุบันที่ล่วงไปอนาคตคืออะไรคือนิทานของ ปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงอดีตคืออะไรคือความทุกข์ที่ลงไปแล้วอนาคตคือความทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือความทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจองหานลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันให้เห็นอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาเนอหน้าสติตาสติเยียกว่ามีทางหนังทางเขาอดีตมันลงไปแล้วมันมีแต่บัญชี่มีเง้นกับไม่ต่บัญชี่อนาคต มีเงินกับพรท่นานได้มีแั่งบัญชีปัตจุบัญชีมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสรมาทีปัญญาเนอปฏิบัติท่ห็นท่านพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ฝ่ายปฏิบัติจึงจับกบรรมฐานในปัจจุบัญชีกันนะหนาฐานะแต่วราสิตังอยู่ฐ า, านาจจะตัวทกอทานททถา้นมีภพุทศาสานาแสกแ ส, กแสกงในโลกนี่พี่น้องเอยเสียงรลองหายหลองหม่มเสียเราไห้หลองห่งหมเสียงสาบเสียงแช่งก็เต็มโลก อายุวันโนสุขังพลังคุณปาคนลุงคุณหนูคุณอามาจากไคมาจากอายุวันโนสุขังพลังของขขพระขันโง่หลพ่อพุทธศาสนายืนยันยังได้นนโลกนี้หระกินของโลงมันยังกินเหม็นฟังกับท่านน้ำกินเนี่ยมันยังน้ามเหม็นน้ำข้าวอ่ะเพราตายอยู่น้ำตกหัวเท้าเขาฝังกนันพระท่านกินกะกินเหม็นน่ยพระฝังกันพระท่านเผาขัระท่น ไม่พูดได้สิฟังเีาพอกันอีกด้วยไม่สิได้ให้เปลี่สมาเลยก็ไม่เห็นวัดแล้วในายโลกธาตนี่เสียงปืนคือเสียงยังเสียงตายอย่านี้เสียงปืนย้อนมาแลได้เจ้าสัว่าเสียงอันสุกเลยเสียงตายด้วนะเราไปถือไฟแต่ตายรอดนะนั่นเลยเสียงตายอ๋อสันวาแล้วคนป่าคนนุงเสียงอายุวันโนสุขของฝรังอันนั้นเสียงสมานเมื่อสมานชั้นอนึ่งเอปลิดญาติปลิญาโท ปณิญาเอก็ในโลกนี่ปริญญาพระพุทธศาสนาคํานี่ยาตะปริญญากําหนดรูด้วยการรู้ตีระนะปณิญากําหนดรูด้วยการพิฏจันนามหาลปณิญากําหนดรูด้วยการอาศัยนี่มีคือการปริญญาทีสร้างพุทธศาสนาพวกเศร้าโลกเขามาหลักออกออกไปจากพระพุทธศาสนาเนี่ยปริญญาตปณิญาโทษปริญญาเอกก็ในโลกนี่ปริญญาพระพุทธศาสนาคํานี่ยาตะปณิญากําหนดรูด้วยการรู้ตีระนะปณิญากําหนดรูด้วยการพิฏจันนา มหาลัคญาําหนดรูปนการนเสียง น, นี่ที่วันลนญ า, าตั้ร้พุทธศาาพวกเจ้าโลกเขามาลักออกออกไปจากพระพุทธศาสนานอาจารย์ยงเมียพันเตยเขาท่านจะเป็นอาจารย์ของชาวพุทธอาจารย์นั่นอาจารย์นี่พวกเจ้าโรกมาเอาออกไปใช้กันเนี่ยก็ออกไปจากพรพุทศาสนาท่วัน่ยอ๋อข่าวแถาบรับวมันจีนแถบระมวานีแถบระวัง นี่การสร้างเือนู้ได้เาไปต่กูดักิเงบเงียบออกมาจากเตออมากากสค่า่าเห็นไหมวมูโตคน่างคือว่าพ้นข้าพระพุทธศาสนาเรานีออันนี้คืไปดีเท่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้างไม่ได้มากพระุเจาล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยูดชิมาทั้งหน้าอีกมากกว่าร้อยปูดทธเจีควมสัตอันเดียวกันเป่งเลยวัได้แก่ก็หลอ่ไหมวันไรบด่างก้อไม้หม้กักเือกโอ้ฉันว่า อันูห่อเนี่ยลบล่างหลเกิที่ามีเงอนแค่นี้อ๋อคำพูดที่จะออกมาเกี่ยวนี่ความละอายตบบาทความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียวามละอายตบบาทไม่มีความกลัวตบบาทแล้วการคุ้มครองโลคก็มาอยู่แล้วทำเป็นโรกบาลคือคุ้มครองโลกในสองอย่างความละอายตบบาทความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีความละอายตบบาทไม่มีความกลัวตบบาทแล้ว นกนไม้หมูเขาทักทก็าวกเขตั้งมาอยู่โอ้โหเขาทำไม่นัําำ น, น, นึงก็มัที่เึ้น่ี่อาศัยทาความรับในที่แก้งม่ได้ก็ไปทาในทางที่รักคนไม้ที่ตั้งขึ้นยักษ์ลอยมาตรายักษมือมาตรากขตั้งข้นเองไม่มีอย่างอาต่อบามันก็เก่ากันแล้วสร้างว่าพระพุณธาินะเอาไปกินนะรักสำคัญไปกินนะทำให้ทำให้นักว่าเอก ว่าได้ซกหลกักกอดติ้งๆิ้งลดเนี่ยดีก็ดีว่าดีกันร่เพงแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มารวมแหละมันเถอะถามเขาแลยมึงได้เขาเอารองข้อหักหละนาความหลักแชวหักไปวินึงแหละข <c oughs> อตัวกำลังขอ <c oughs> ง, งพุทธศาสนาไม่คลคอยบอก่กาลังครบจริจริงนะกำลังครดีนะ <c oughs> บ่าวังเอาไปเอาชนะพูกไอ้ขอพุทธศาสมาตามเป็นจริงด้วสิ คือด AL ินาฟไลร่มแล้วม OK? ันบวชเสี like? ่ยเพลศนะไปหลวงนู้ของจารีมนาฟไลร่มทั้าศละดินาฟไลร่มก็คือบวชแสงพระพุทธศาสนาอุปมาสุรนนาฟไลร่มเนี่ยมาทะเลาะผูไรเลยกูเอื้อนทังมาต้องขอนคนนี้เด่นพระนภเจ้าขอมันสูงเนี่ยพระพุทธาสนาอยู่สูงขึ่นขวาบนมดใจเรากั่านมัดทองไล่เสริมกับมถึงขวาดีกว่านี้กัตกแต่งเจ้าขอุมบคดุมบ่ดุมบ่เนี่ยนี่ เมาไม่เห็าแก่อย่องยู่วนหัวก็ส่วนสุดของทะรี่หมดชิร้ายว่าไม่เหนเลยนายแกวอย่างคือพอพูดพระธรรมประสงคย่องยู่บนหัวใจน่าใจโลกธาตุแต่พอถึงว่าประธรรมประสง์จะได้เวสันต์เ้ยมังเล่าเท่านั้หละอุ่นไหวใช่ผมอันนี้น่แหละอ๋อเพียงชินหาธนาขันโลกที่ชิ้นหาสงครามสีมาใส่ของขายของกับได้เฝ้าแม่นวะ ตำรวซะหารยีฮห้อแห่งละบากทิจะรยอยนกันแห่งเนี่ยโขกกระบอกตองมี่ย่ามกับอกตองมี่เร้นกระบอก้องมี่มีกับอมีกับปันกับอกมี่นี่เพื่ อ, อรักษาหนุ่น ม, มท่านรักษาตัวตำรวจทหารรักษาโจรบอมีนั่นขายของกรบอกได้ต้องเก่าเหลานั่นวัเนยขายไปน้องกันกระไรสกีทะเลาะกันแล้วเป็นนุ่มทะเลาะกัน ย่านั้ก <his> oh, oh, like ็ปั่นท่าน่ลยตมือในห้วปืนข้อมือวัดคือข่าวของตำรวจทหารผลหัวโอ้ยย่ามันเจริญแล้วเหอวะตู้มือก็เจริญเลยเกี่กสียางไปยังน้องสูงสิเงืนเข่นแอวหอบแอวสีย่างไปสิเอาใม้คนเห็นจะกันก็ได้อฮ้ยไฟจิตระหลัดตมือนี้ปุ่นกันทั้งรถกับประล้ดขากันกับประหลัขดดหักดเที่กีอย่างนแตจะร่งัวล่าควาย น, นั่นนั่นจังเลยเงนนี้ยนั่นนั่นจังเลยเงี้ยนว่าเอาไปตัดหัวคนหนึ่งวิริอร้อยจังออกไปตัด ส, ม, ม, สมึงโ อ, อ้ยชีวิตของมนุษย์เปัดไกลแอบบดีะสุดไปเลยเดี๋ย ว, <c oughs> วยมันมันเจริญเนี่ยเข้ามาบรจาเลริญในส ม, มึงรถทางร้านมา ด, ดูถูกพระพุทธศาสน า, า, า, ามันสามมันแปลงต า, ตายยักระเพราะพุทธศาสนานนู่ไหมะรัขางพระเจ้าคือเห็นสางยังสำคัญนี้คนถนงจข้างาาาาพระเจ้า ตังพรเจ้าอาท้าบปีนทีกเษเซตีสารทั้งสี่ชุกเกาโกตรกระเป้าเดียวที่ชุกเก้าโครนิพย์ราษมันจะเป็นโกรธเด้อกระเป๋าเดียวเลยเมืองสารปีนทีว่าเศตะวันหน้าูทางเศษตะวันหนะ้นามหาวิหารเรียเสือปลาใหม่ปลาม่เศษตะวันห้ามหางาน า, หารดูทางนี่ของเมืองสาวัีนทีบุพพาลามดูทั้งนี่ของเมืองสารปีนทีทิศตะวันตกเสียงนืะโอยเสียงอัน แม่หลักยุทธิตวันตกยางเหนือของเมืองสาวทีราชเถะวันยมหาวิหารยุทธิตวันตกยังฝ่าของเมืองสาวัตทีพระเื่อกบินละพัดเป็นเมือขึงของเมืองสาวัทีได้ต่กอนผู้เดียวที่่พาโกดวัดเดียวพระนั่งละวัดอื่นยังอวันย่ยังมาต้องเล่ผู้อื่นถังี่ที่าโกดนี่ยเอาซิบแต่ขังหนึ่งิบราดยั่งตะโกดเด้่โกดตะโกดอี๋เลยตะโกดกระดาษคือเฮานี่เงื่อนอี๋ลีแท่แทงืนี๋ ดังกริงจิงหมดเป็นแทมเป็นยังหุดเสียบหาหาบอ่ะเสียบขี้เสียบตี่เสียบห้เราหาเสี้านเ่กรเป๋าเดียวไลาสตแสงขี้เหาเสบ้านนึกเคลียได้ในโลกนี่บ่มีเี่มีต่แพรกันอะไรกันสีตายเมีนว่าสันจัดการจัดงากับคนนั้นผู้ท้าพิเศษี่สาสารพัดอ่ะองล่างของขังมาพรองคนี่หุนส้น่าข้าข้าวขา ก้อนนานังก้อนนี้้างเีกระตุกเตาข้อก่อนยกไได้มาทั้งคู่ยกหัวปวดหัไได้สั่งกระเป๋าเดียวอเพื่อนกระเป๋าเดียวเนยนาจะไปดูสูขามพุทธการนั่งน้่วิชาขาสามทางนี้ทางวัดท่าน้เก้าโคตผู้เดียวนั่งนั่สามุดเก้าโครเพราะน่งรืมกัโจมหัวไว้นวัดจะโจมหัวของงาง เก็บซะเราปฏิจารักเก็บพระอนุตเป็นเก็บมาเขาสืว่าห้ารักเลยของตุ๊กตัวในวัดนะครับเราเก็บไปใช้กับของบาเก็บเป็นอาบัติทุกวัดเลยเก็บไว้พร้านุตเก็บไว้น่างึ้นมากนางว่าโอ้ยมันได้เริ่มเนี่ยวัดแต่เกษตรถวายวัดเราถึ่ามันาด่ถวายบัตรบัตเนี่ยบอกเออถวายวัดแล้วเกษตรเอาไปขายเอาไปขายเอางนมาส้างวัดน่าส้างกะเพราะเดี๋ยวมด ชิปก่าดชิกาวดก็เอาิปตะ่าชิปก่าก็ชินะชิป <EL> ตั <pants. as>? ้งคนติปเป็นชิปเก่าลยเกาชิป้างเอาเพราเดียวนั่นคนนี้ไส่ทางการท่าพัฒนาการพัฒนาชิปใจเชืงอว่าสุดาวันพัฒนาข้าม่เน่าข้าไมอาน้ำด่านพัฒนากะดางานกียรติใจงานอเมจกับพัฒนาเก่งปัญญังมูห่าไ่เห็นท่ยโสงเงาไม่อาเพราะงเพราะไม่ยัง พอามเหมินจากสินทงทำคือว่าดานการมาลมมาสั่งวันนี้เสมอผมมันม่งโลกเป็นแง่รได้มังมงตามคัวเป็นจริงเลยผู้ตามคั้วเป็นจริงดานการเมืงงองล่มไงสงการหมาแม่นบอกเสมอเยเห็นหนามาจงังหวะเป็นมียแม่นบอกเห็นหนามาว่าจังหวาแป็นขว้าแม่นบอกเออฟังมาหลายห้อง หมอนึ่งมาบอกให้ฟ้องแ่ต้งหายพร้อมายชนะไม่เอเนี่ยเขามาพอเป็นยาผ้าางหลือนจากสินทำนะสินทำเป็นยาโอสถกคิดกวใจคนปฏิบัติตัวมวย่อมกินยามันก็หายแล้วเพราะม่ยย่อมปฏิบัติสินทำสินทำจะปฏิบัติเท่างไรเพราะยอมกลงโมโมสีกเท่าองไรสร้าอกพระคือกาเ่นคือการเมื่อไหร่เขนัไปห้องเไปคนเดียวเขาไป นี้ออกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้าตายห่อเลยนะครัน่อนตายต่อพระพุทธเจ้าเลือทุกเลัวสาวพระพุทธเจ้าบากันห่อาว้านคนเขาถามมาสองมดห่อบ้ไปบ้าไปบ้ไปน้ำไปห่อไม่คูยเรื่องใช้ก็คือเืองใช้พดอย่าง่อได้ตะพุทธโต้เข้าเมียก็แล้วก็ถึงห่ออัเอาหมดู่อายุห่างกินไ็สิบน่องผ้าวนอาตายเ่อเรามาถามตัวกูหรอกมาบอก่ามฟอคู่อายุห่กินได้เทียันไหมอะครั มาม่ไม่ยอมอุปถักภ์ใชังไงสั่เด็วก็นอนพาะตายั่แล้วอ๋อผมว่าได้บวชไม่ค่อนนับถือบวชบวชไม่ค่อนตีวะบวชมาเพื่อหล่อเกลียดสังหาก่อเดี๋ยวเอรมาปฏิบัติแล้วกลัวสั่ไปจักจะเอาพมาปฏิบัติแล้ววะจะไปเลือกเอาได้สัเกตลูกเสียชีผมแย่งมาเอามาว่าสั่งแล้วเดี๋ยวะใชิ่งน้จค่าแล้วก็ว่าสั่แลคือไปบินทบาทนี่ยหน้าที่ไปเนี่ยหนาที่ของเฮ้าสั่งพวเขาจะให้บวชแทะให้ติของเขาว่ นาทีบวชนาทีปฏิบัตินาทีห้องเฮ้าผู้สแดงใส้แดงใสแต่นาที่้องเขาเสีนห่ยเอาว้เสียนาะมันก็คนเรื่องมาเสียเนี่ยก็ไปเช่าเป่าให้คนมานักถือ่องหาอะไรก็ไปเอาถุเศษเสีีแหงเอาเอาเศษเสียฝีแหวงมาปฏิบัติก็ว่าเสียหเป่าได้ก็เราเรียงเสียเนาะนมาหนังสือดึงหาโตเต็มพืชาสพืดินก็ที่เรียกโตยังเต็มพืชาสพดินนี่ตกีได้อย่งสเอาวสียเนเอาตะเร่องข้ามาหา ยังภพาพภาพภาพคนแล้วกิเดสโตขึ้นเต็มพุ่พพงโลเต็มพระค่าพระเด่นนิโตที่ได้อยังางนะว่าสัน德拉ฮาวาเกรักตน ร, กรักษารักพวกรักชาติรู้จักคนดีรุ่นนี้คนพาลรู้จักใช่ใจอย่าใช้ฟุ่มฟายงจงตองบากบั่นมันเพียงแก้ไขเพียงหาได้เพื่อให้ตนดีเลยนะรับสิงค้านบริวารจะมีมากก็พอเหตดชิบธรามาหายังชี่อในทางทิึอษเลยมันถิงชิพหายกับพรอวะ วัตถุนี้ยมอมร่ก็ะส้วมวันดีดูจะมันยูใตอู้ของอันนี้จังแต่มาในทา้ที่สอบพระพุทธเจ้ากับมหาธิดดูของมันยูในใจอันอ่นางนี้จังเ้อามันมันดสลายนี้เขาก็สะไปสไลนยนี้จากมันดูส่วข้าวจิตอาหาทำารวสอบอีก อ, อยอีกแ น, น่อูเอ๋ยทิศไหนมีทั้งสีเจริญรัแ่ไมน้อยสันเอรินจะไส่มกับอวัยวะมุขหันอุ ป, ปมาคืออย่างไฟสิมีใช่ไคุณได้ใจถึงมากมากที่ธนาคารแต่ไฟแขงกันนดูว่าสันติอะไรถึงไฟสันติ บึ้มบัดกูใจเสิงเลยก็หอมมากใไปรับ่อยมากเลยมั้เนี่ยที่ายใจมเนี่ยอนเดียวกันละกำลังไฟกองห่ากันซะละมัด้ดใจเสงมาถินใช้บางลูกก็สั่งแกงกับบางลูกห่อสั่งก็มารินใช้ผู้แต่บาทหนึ่งสบาทว่าถินใช้กัไม้เส้นนามัดฟัดรอดเสินข้าอันนี้เนี่ยฟดเสมอเลยผู้ละคนเดินน้าสนนมีเงินจะซื้อหาบาตกับผซื้อข้ามากินถือว่าซื้อเลขวดเอู มือรกเลีกออกมาเป็นบ่าเงียบเงาหมดมันบันดามันชั้งหอนนั้นเจ้าหน้าเงี้ยเดือนทอดกินกับพวกข้อก็ไปทุ่มเสีเลียกมันได้มาสิพอจังหวี่จังหวอมันสิพ้อกินยังไรผูกฟอกระผูกมาเรียกผูกป้านกระผูกมาเร้เลเข็ดหน้ากรเข็ดมาเรียกเงี้ยเดือนก็ะเข็ดหาเงินเดือนมาเนเลกมันกับฝน โลกคือว่าไรคนจังไร้มองควมกันแน้แโลกอันนี้มันคืของเงินพระะเลาะถาเป็นพระเล็กพระาพระบัตรพระเบอร์มัไม่สะคิดไหอย่างนั้นกันพูดถวัตถนทุกนาวตาทุกสาไม่น้อยสผว้ทุกคนดีโยกไหวสกอาเสกมอไมโยมก็ได้ลอดถึงพระก็ดีถึงเกวถึงหน้าก็ดีบ่าแว่าพูดเหมือนไรผูดดีมันมีอยู่มันมีผูดดีอยู่หละมันจะพอปันนี้ขว่ามีพูดดีอยู่มันก็ไปง่ายเลยสีเลพอมือยังั่งสร้างวอกถที คนมี ด, ดีมีอยู่ในสังคมไหนเพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นเครื่องอบอุ่นเยรางควาแทะเครื่องพที่เจ้าก็กไม่โอ่งเดียวเท่านั้นก็จะเป็นอบอุ่นที่อบอุ่นของโลกวแต่งเป็นที่กลาง ข, งของข้อของคนธาตุนิจว่างเลน <c oughs> มนมาสน <c oughs> <c oughs> หมอนึงมว่าคเมยอยู่กูกีดขวางควเจริญพอาเมเีตายถ้าเป็นสัตชิบหายเมื่อรับยสินน่ะนั่อแมเมยียกีดขวางควเจริญดู เตาไปเรยเลยฟ้าพักทหาเนี purse, ่พ so ่อแมู่้แคสั่นกับมีมี่ชอบไป็กลงกไปหากินทังไอ้ปูนแงสอกพูนยิงสอกพูนยิ่งกไปข่าจะข่าห้งขีผูนยิ่งหาผมว่าจะหัวฮางเงินแล้วได้สิยงหันั่นส่อตาอยู่หันน้ำมูอ่ามันแล้วของเขาบูว่าบาบาบอกบาบางแล้วเห่าติดสักผลลักายของเขาเป็นรักมือน้นมช็อตบัสช็อตชอบัสพ่วงช็อตบัสไม่คว่ำบัด เเจ้าทิชิตสกล่างกายกายใจเป็นมหาธมนถอยบูชาพระพุทธพระธรรมประสง์อยู่กมประมาบวมวันเจริญถึงบววจรสงรุณพระธรรมประสงค์ถึงสุติตีละเน้วลืกดได้เนื้ถึงพระพุทธพระธรรมระสงค์อยู่กมประมาเยส่ากายกายใจขอทุมอบถวายให้พระพุทธพระธรรมระสง์ขี่รถเยืรถยับยทชนไร้ละหมกไอยู่กมประมา้ลืได้เดตั้งชัดเจะอธิษฐาน่นตั้งัจะ บาลามีสัมปนโนโวาันทั้งอธิษฐานบาลามีไว้สัมปะโนโวายังสันมุ่งชังไปสู่บาลังฟังเนี่ยแหละแผ่นดินน้าทั้งแสนสี่มืองดเขาเอาหลวงระเบิดปรมาภูทําลายแตกวิจัยทางทห์เขาประท้ว ง, งแล้วไม่ไครสามาทําลายแจกน้าพ่อหนุ่มของเมืองบางต่างไรลงสู่มหาสมทุทรเลโดยไม่รู้ตัวจารยใดคำสอนใดใดในใจลูกทา่าร้องอะไรลงสู่คำสอนในพุทธศาสนาโดยม่รูตัวอาารนั้นเทียบในทางลึกซึ้งให้บรญญา ได้คำอย่างไร ห, หลายทางหน้าของน้องของมือบาน ต, ต, ต่างๆได้ลงสูตรมหาธุ ร, โ ร, ร ะ, ธะโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไรรงสูตรคาสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกคือไฟมันเป็นของห่อนไม่พูดอีกก็จริงอีกบอกคำเดียวค่ะท่านละคือน้ามันเป็นของเย็นหน้า ม, มันจะอาบสะอาดหน้าแข็งไม่พูดอีกก็จริงอีกอะไรเสียบได้ทั้งสูงหัน เข้มเทศไเขียลาล่านก็เชียไปในทางทเหนือโดยไม่รู้ตัวไม่ใ่มีทั้งกลางวันกลางคืนคสอนใดก็เป็นงเครื่งคาสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเือนกันแะเกียบขงสูงเาเนี่ยเชีทางลึกสึ้กาเชียบแล้วอ๋อเเห็นทัพต้องถึงเพียงนั่นแล้วเกิดอัตโนมัติต้องถึงเพียงนันะเิดใจาอ่งนี้เก้าเพื่อข้าพระสงฆ์ในสมืยนซื้ออยู่ไม่สงสัยเลยเหตนอยก็ไังตรวจหตร้ายก็ม่น้องตรวจได้น้อยก็ไม่ต้องตรวไ้ ตัวปฏิบัติได้ตัวปฏิบัติได้แสดงกัย่อเมื่อแสดงัวปฏิบัติว่ได้ได้ก็ได้แสดงย่อเมือเนี่ยวัดประมาณประมาณเท่านาะแบน้นยพี่ะว่าาปฏิยัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิยัติปฏิยัติลงในกายวาจายแปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจายใจปฏิเวทก็คือผล้องกันปฏิบัติคือกายวาจายใจนีมาเดียวกันบอกเป็นสามบอกเป็นสองอาตตาขับใจบอกเป็นหนึงใจอย่เดียวเอกเป็นที่อริยสัจตีอกเป็นหาัหา โมเป็นหกตามคตัวโมเปล่นไกลไกลโอ้ยฮัลโหลนั่งเงาเงาไปฮัลล้อนิดฮหลอดึงนรัเกิดสะไม้เกิดสะไมั้าฮัลโหลเกิดสะไม้นานาเลยนะนานารักษาใจครับรัาส เข้ามาว้สูงว้สูงกระไม้ขั้วมาคัาพระขาดปาหน้าเจ้าบาทตัวใหญ่ตัวนี้มันกับพระขาดหมดอย่างกันเลยระว่าวิสูงว้สูงขาดตัวนึงขาดมันหลดเสียหนาอย่างที่แรกเข้าวาน้ำโม่น้โม่ขอนอมนอมแน่พล้วคนมีขวักไขลรนก้าวสม่าขวักไข่เก่าพวกนั้นวานึงสามเถื่อนนัยเ่างพัเทือกวขาขอเส้นหนาแนะ ที่นี้ก็แต่คคมนะสสะมันจับที่ไดานี้ว่าสามารขอที่หาจะขอยาก็เอาย่างจะขออะไรเพรามันยู่นจะขอของจะขอมีอาหาได้ขอขแก้นหัวจเออไให้จะขอโดยสมุดเป็นที่รักษามีปัญหาสอดข้าวมาว่าข้าวพขอนำพระที่ใดบอสินของได้ข้าพระเอาขอยังอะเพื่อรักษาสังคมให้เื่อเพื่อเป็นอย่างย่ให้ลูกล้านเนี่ยเห็นอยู่ืลอถ้าวพระขอนำพระเพืรักษาเอากระไรอยู่เว้นลด เสนหักคกูท <N> ี่เวนรได้ว่าได้อยู่แต่ว่าเปลีนก็ขอเะพื่อรักษาธรามเนยมเพื่อรักษาสังคมในเคือนะโมจะสควตูนาโตมาะสนะโมจะสกคตโตมาะสนะโมสคตูโตจมาจงดสนะโมนะโมจะโกตรโตมาจงดูส รักเราสต่รักเราตลอดเรารักเราเสมกาต่รักระทสมผัสานเกรนี้แรงงานานี้สมัครงานากรนี้ทำงางานกรนี้ทงานงานเกษตรนีทุย่างี่ต้องกาานกระ้ ดูสี่ยันติพังเทลานังดูสี่ยันติสมอทานันทจางสันติธรรมนันเทลานังดูสี่ยัติสังขังเทลานันจางดูสี่ยันติสังขังเทลานันจางัดสี่ยันติพังเทลานันทจางัดสี่ยันติสงัจาัดสี่ยัติสังังัจาัดสีตังังาะมังัง ภริยามจบเพียงเท่านี้ว่าสนานมาัีการรนาคมจบเพียงเท่านี้เลยวายขนานี้เข้าไปนปานาทิปาตาเวแ้มันนี่คาประมาธิยี้ปานาปาวแล้วมี่คิดขารทังสมาธิยันี้นแล้ว่ิาประทังสายนี้เป็นคิดขาหดหนึ่งหวานนเป็นบดอยู่ที่ใจขออาเทียน้าพี่ชาย อาทิตย์นาคานาวีเรานีศิษยาพุทังสมาธิยามิกรรมยุทธิศากยาราวีเรามีสิคยาปุทธังสมาธิยามิมุสาวาชาวเวรามีสิคยาพะทธังสมาธิยามิตุรามิระยะมัชฌะสมาสุขานาวรี ข้าพราเจ้ามาที่แห่งนี้ดีมานีปัญญาสิขาประธานชี้เรียนคือตสินญาณติชี้เรียนภูกระสับกระทาที่นี้คือตัดนญาณติสัจมาศีหลังโสทัศน์ถึงเงนความชุกขวัติเตียนถึงหกขั้นขวัติเตียนถึงใบพระ่าณขวัติเตียนว่าเป็นแบบว่า ทำโดยบาลั้ว่าบบริกรทีคาว่าจราบว่าเวลาเวลลสลับเมื่อมีวิธีพิารงระบสาที่ทางประาทเปห้องทุประสงค์ูเรียนสกาันโเป็นระรนัที่รโโกพุมาเทตราโลีโ วิวาสนาสนกางวีามงหวัยจัตารธรมวัันทีายโมเสียงวัดไปก็ตุ๊กตุ๊กันตัอนกีครับฝันไฝันวปวฝันวัน่าน้กักกว่กเรื่องินได้ัช่วงหนึ่ปวะเร่องจรตัไปช่วหนึ่บตั แมน่นวะโอ้โตเป็นหนอามู์มานี่ยโตที่ได้บุญร้ายได้เลยเลยทับริวารสมบัติเลยทัสมบัติตนออขั้ น, นไปหาพร ะ, ะวันไหนันพระออกไปงังนี่เดี๋วพระจะไปเล่นได้เลขอะแมนะนะ่นว่าขนาดบ่บ่บบบ่มพูดส่งเสริมเหนพูดส่งเสริมคนนี้อ้วนพูดโมติดใจพี่แตกเ น, น มันเป็นตะเบือเหรอก็บอว่าหุมว่าได้ยกตคนคบทานใีอย่งนี้นี่บอตามธรรมดาดนี่นี่มันมีอยู่สมามื่อนั้นพระระเด็นมดแค่นั้นถอะก็บอาให้อัตมาทำเนยเนี่ยฟังตัวมาฟังมันไฟอัตมาเนี่ยตัสั้นผ่านเบียงแค่ห น, ในาปากนั่นเคยเห็นมั้ล่ะอยู่เหรอ่ได้ยกตคนคบทานเนี้ยนกว่าประทัดเนจริงเี่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ได้ยกตนคทานเนี่ยป็นขาัดถ้าเราคิดในกาลช่อเยน่เป็นผู้ตายว่าเพรพระพุทธเจ้ายกตนคบทานบอกเขาพูดตามเป็นจริงแม่เนาะอือ ตัวตามจริงสรือพยายมไมันสิห่อนได้หรือานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะบางที่ก็ว่าสูบางที่ก็ว่าท่นทั้งหลายเข้ามาคณะในพระพุทธเจ้าว่าสูบน่ะออกแบบรูรูคันหลังคณะในพระพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายนี่ยบอกตามธรรมดาคุณทั้งหลายเธอทั้งหลายชู้ยทั้งหลายเข้ามาสูวทั้งหลายไหมพราะว่าออกแบบรูรูหลังพระพุทธเจ้าอกเด้บอกไรเนยเด้เนี่ไม่สลับทพุทธเจ้าฮะแสอนเขาใหญ่เาจะเอาไว้ใช้กับพระพุทธเจ้า เขาิแขนตกเตียงเตียงลคืออันงวงคือ okay. ไ่นี่ยเาเป็นกำเป็นเว้นเฉเจ้แขพระพุทธาแขนยแขนมันคือวคือ่เนีมันห้กินเรางูกวน่เอไปเลแขนใจไว้หรืเจมเฮียมต้องเก็บอะไยง เมื่อทรงเจ็นสติความในสังได้สองธรรมวิทยะความต่อสองธรรมสามวิทยะความเที ย, ายามสีส่สติความอินใจห้าปัจฉิตความสงบใจและอารมณ์หกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็เวทขาองุเบกขาความหลังเกิดนี่จตามมาเครื่อสติสัมพธดตรงไปโดยลําดับจนถึงอุเบกขาสัมโพธิตรงรักควสาส ม, ม, มันมีอยู่หันรักขวามันมีอยู่นั้นสติความระลึกในกรรมฐานที่เข้าใจ มอสองในกรรมฐานที่ตร้งไว้ความเอียงกายสงใจในกรรมฐานที่สร้งไว้ความสงบกายสงใจในกรรมฐานที่สร้างไว้ความสังมในกรรมฐานที่ส้งไว้ความระลุในกรรมฐานที่ตั้งไว้ความวางเฉยในกรรมฐานที่ตร้งไว้มันต้องามายเดียวัวดทงเจ็ดย่นลงมาในศี่ธรรมะที่ปัญญาพอที่ปัจทสี่สามสิบแปดสามสิบเ็ด นติสานสี่ธรรระสานสี่ินทรีห้าพระห้าพทชงเจ็ดนัยแปดย่นลงมาในใจศีรษคือสีธสมาธิปัญญาณั่นเองย่นพุทธชองเจ็ดลงมาในสีธสมาธิปัญาณั่นเองย่นนัแปดลงมาในสีธสมะธิปัญญาณั่นเองมะที่สี่พระโพวานาคัมมันโตอาสิโวอาโยมสติสิสมาธิย่นลงมาในใจศีรขาเหมือนกันคือสีธสมะทิฏฐิญามือนกันมีย่นลงมาเป็นาป็นิกานีวะ ถ้ายนลงมาเป็นจอก็กลายกับใจถ้ายนลงมาเป็นหนึ่งก็คือเอขจิเอขธรรมนปัจุบนนี้คปัจจุบนนธรรมมีสมาอันเดียวกันเดรัจฉานไม่ใช่หรอกครในผูเอักกตากับรูเนี่ยดียกันเอตักกตาคืออารมณ์เป็นอันเดียวกันมันมีอารมณ์เป็นอันเดียวเอตักตานี้อารมณ์เป็นอันเดียวคือความเห็นอารมณเป็นอันเดียววันีแท่งเจ้าของเรียกว่าเอกตารม ควเห็นอันเดียวเอกะกะตารมความเห็นอันเดียวไม่มีที่แฝงตนเองคือมีอารมณ์อันเดียวเท่ยนั้นเอเอเอกะกะตารลมมีกมาอันเดียวคันี่ตัวการผู้ที่ชนะผู้รู้นี่แหละว่าคัญเราเล่าเนี่ยผู้รู้ว่าสำคัญผู้รู้เ็นเล่าท่านจ้ะที่ชนาผู้รู้ไม่ใช่ที่ชนะเวทนะหรือไงมันสำคัญเอาเวทนะเป็นเล่าเราเป็นเวทนามันต้องขามเวทชนะโดยวิธีน่งมันต้องขามผู้รู้วิธีน่ รูปเวทนยาสัญาสังขาร ย, ยานไม่สำคัญว่าเราเป็นรูปขันธ์นามขันไม่สำคัญว่ารูปขันธ์นามขันธ์เป็นเราก็ข้ามรูปขันธ์นามขันด้วยวิธีนั่งวิทยาลรงค์อนัสตาอนาสาาัสตาธรรมมันลึกมันลึกกว่าศาสนาอืา่นอนาสาาัสตาธรรมอนัสตาบาเป็นฝ่ายละอนัสตาฝ่าบนฝ่ายเจริญอนัสตามัคฝ่ายทำมา ย, ยิ่งอนัตานิโรธทาฝ่ายให้รู้แจ้งอนญญาเทศิตะทำก็โพทิ <S <S ปคียะทำมีความหมายอันเดียวทำ อภิพญยาเคตัดสีทิประสานสี่มประสานสีอินทรีห้าพระน้ห้พชองเกักในองแฝดสิที่ประสานสีกายานวัสนาเวทนาโนปัสนาจิตานวันาธมานุปัสนาพิจาณากายเป็นอารมณ์กายเป็นกาวกกายพิจารณาเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาเป็นจิตก็เวทนาพิจาณาจิตเป็นอารมณ์จิตก็เป็นกสาวกจิตไม่ใช่แถมไม่ใช่บุคคลเราตนเราเขาพิจารณาธรรมเป็นกุศลช่อหรืออากุศลที่มันเกิดกับแสเป็นอารมณ์ใจสักว่าทำเขาเรียกว่าธรรมานุันาโดยจะพาะก็คือพิจาณ ได้เวทนาจิตธรรลงสู่หน้าตานั่นเองเองที่ประธานสี่สมัครประธานสี่คืออะไรสมัครประธานเพียงระบาดมาให้เกิดขึ้นในสั้นดาบารเกิดขึ้นในสั้นดาบประธานเพียงเนี่บาที่เกิดขึ้นเนี่ยภาวนาประธานเพียงทั้งกุนศรเกิดขึ้นในสันาอนุนักคณาประธานเพียงขุนศรเนี่ยที่เกิดขึ้นได้มาให้เสื่อมมาความเปลี่ยนเสียงนี่เป็นความเป็นชอบคนประกอบขึ้นในตนลงเงินประทานค น, พ น, น, งงนเพียนเสียงลงมาสองเพียงระบาบบําเพียบุญหนึ่งเรื่ที่ประธานสี่ว่าเนี่ยสมัครประธานสี่ อิทธิบาทสี่ถึงอิทธิบาทสี่คืออะไรคือคุณเครื่องความเสพสำเร็ตสี่อย่าสังพรายละไขาในสิ่งัวิริยะเพียงหม่ำประกอบในสิ่งนั้นสังฆพรายละไข่ในกรรมฐานที่สั้งไว้วิริยะเพียงหม่ำประกอบในกรรมฐานที่สั้งไว้ยิตะเอาใจเักใฝ่ในกรรมฐานที่สั้งไว้ม่มาสามมันติกงพิจารเส็จ่วนในสิ่งนั้นในกรรมฐานที่สร้งไว้คุณี่อย่างนี้นโมทิวนีแล้วอาจสักนำบุคคลนั้ถึงสิ่งที่ต้องผสมชุบแล้วใส่เรียกว่าอิทธิบาทสสัมมาภพานสี่สม ิทีบาทสี่อินีห้าอินทีย์ห้าคืออะไรศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความรู้ได้สมาธิความตั้งสมาธิปัญญาความรู้อินทรีย์ห้าเรียกว่าะเป็นอะไรในจิตของตนศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไหววิริยะเพียรประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจพักไฝในกรรมฐานที่ตั้งไหวนิมังสามอนสีสส่กองในกรรมฐานที่ตั้งไหวนิมังอ่าปัญญารับมรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไหวก็มีความหมายอันเดียวกันอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าคนียกเพาะเป็นอะไในจิตของตน ทำเป็นกําลังห้าอย่างอินเทียห้าก็เรียกพ่าห้าก็เรียกพ่าคือทำเป็นกําลังห้าอย่างท่ะพลังยอดกาลังกําลังของธรรมะไม่ใช่กําลังกายกําลังใจและกําลังธรรมะสมดุล ก, กันพุทธชองเกตพุทธองเกตคืออะไรเจตความรู้ได้ครามวิทยาความสอด oh. ส่องธรรมวิทยาความเขียนเจตความรูม้โโได้มธรรมะวิทยาความจักรยานมั่งพุทธชองเกต สตินคนวามรู้ยากธวิทยาความสอดส่องทำวิทยาความเพียรวิสททิีความอิจใจปัจเจติความสงบใจอารมณ์สมาธิความตั้งใจมันอเบกขาความวางเยไม่ดีใจเสียใจวางเฉยต่อสังขางอเบกขาในธรรมพชฌวางเฉยต่อสังขางมีคนหมายอันเดียวกันะล่ะยบันเดียวกันะเ้าเดียวกันะเ้าที่กรรมฐานที่ต้งไว้ว่าหลายอย่างือหรอกคือเขาฟัดเขาฟัดหลับนะ สิเนาเอามาฟักนี้สินเหมเอามาฟักนี้ของดีเอามาฟักนี้เขาก็ฟักกถืนาเียงนี่นี่ขของเก่าฮะเนี่เขาตีทั้งกรถืกันทะเขาตีเลกระถึอกันทันะก็ตีลงถือาทังนี่สิตีทอดตีคยงจนลังแงนี่ฟนลงนี้่ถึงนี่ก็ว่างสละสาของมันเด่นใส่สดียมาท้าที่ันพระละห้าโทชงเกมักมีองแปดมักมีองแปดสมาที่สปัญญาเห็นชอบคือเนยรี่ ส้ามาทักปะดํมฤิ์ชอบคือดํมฤทธิ์จะออกกาการดัมฤทธิ์ในอำนาจยาบาลดัมิ์ในอำนาจเดียรนถ้ามาเจริญกาเจริาชอบคือเรื่อจากวัตถิสุทธิสี่ตัวเท็จต่อเสือตัวขุนอย่างตัวโคจรถ้ามาตํมันจะการงานชอบคือเรื่องจากกายจะทุจริตสาษาสตร์และชอบทุกชีวิตในการถ้ามาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเรื่องจากเรื่องชีวิตโดยสารธาตุถ้ามาสติเล่นลึกชอบคือเลนลึกในสติฐานทั้งสีังกล่าที่มาแล้วยังที่ก่ามาแล้วนัานาเวิชนากิตตตรรมานั่นเอง มสมาธิตั้งใจไปชอบคือการทานทั it, s, ้งสปมิานทั Pal ้งสี่ขจีทั is, <t is> ้ง <Jean> ส <ette> <is kaz aya> ี่ขจีที่จีทั Ronnie ้สชาตินางไปเอาเท่นุสมาธิแจวว่าตั้งมันในทางเท่นชีนังแปลว่ากรรมฐานที่ถูกเท่นุนี่เข้ามาอันเดียวค่ะหลายไซหลายสายเลยหรอคือข้อนี่กับไซมนุษย์กับไซตพระกัไซคู่กไซคขุณหนูกัไซต์ยไม่ข้นั่นล่ะ คุณป่ากับใครคุณลุงกอบใครกัเป็นคนณเ่ของสนรเหรอไม่ต้องใช้ชื่ะคือดิที่สังอที่สั่งเป็นอที่บ้ากนนี่ทรัพย์ที่กังขาเารเนี่รัพย์ที่กังคอที่สาคือเสร็จคือสาคัญเเราสีนั่งเาวนหน้าพที่ชบเพื่อนในการนั่งเาวนหน้านี่เรียกว่าเนี่ยส สัตย์ที่กลางค่ะเอาสีว่านอนภาวนาวันสั้นเอกเดี๋ยวพระพุทธเจ้าว่าได้ท่องหามเลยที่ต้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนก็บระด้ว่าพุกครา้นกับสะดวกทั้งนั่งพวกเรานกัสะดวกทั้งนอนพเราค้นกัะสะดวกทั้นอนหรอว่าพนว่านอนมาลับพอรับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งพุกเราคนกับสะดวกทั้งเดินพระพุทธเจ้าทั้งยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นเนี่ยทรัพย์ที่กลางค่ะ ภาษาในกังฆะอยู่ฝ่ายท่าเป็นวัดยุฟาร์ า, าเป็นวัดมันก็จะอยู่ใดแต่จะงแลมเงยมียมฝนอยู่บ่ใดดอกอภิการมที่กังฆะก็จิอยู่ใที่จแก่นก็จอ ย, ยู่ใดเงียแหลมเงียบฝนอยู่บ่ดตอเขาฮะเสียน้าสนะสมการเพราะมันมีแนวบังคับอยู่เลยเสียหน้าสนะที่จภาษาหายมีประตูปปิดไปดเปิดเขาออ ก, กเลยมันมีแนวบังคับอยู่เอาบแบบ น, นี้จงท่าน เนแนวนําใดจริงยาอหเนย้อนรุนควิารณทางเนได้วย้อนแล้วขันเราขันเราแกอะไรขันเราแกะเ่อไรเม่อไรแล้วขันเราแกะอะไรเอไรอยู่เท่าถามะไรอย่เาร่ขันเราแกะอะไรันเราแกะเได้อไ้างขาถามเ่ไรแล้วขันเราแกะอะไร้างข้ถามออยู่ก็กดูว่าแต่ดูที่ทํามาขันร่วมแถวลงพูดก่อน่ยนต้องพูด ่มืนไเทียกัันก็ร่องผูลู่ได้่อเถือผูู้่อยู่กับผู้นันกับขันนามโลกเมื่อหันวันวันวันสิ่ล้วก็หันละคือผมพูว่าผู้ลู่นี่เป็นวิชายูผู้ลู่ขันรูกดีรู้ชอบมันก็เป็นวิชาชนะสัมป์โน่กำลังเดินมากก็ันรู้ดีรู้ชอบอ่ะแต่พุท่เจ้าดูดีรู้ชอบมันก็ช่างกับบทิ่ในผูู้ด้คนนเปิผู้ว่าู่กับโง่กับพ้นไปแล้วสลดกับพ้นไปแล้วเพ่น วันท nice. <sm> ี่ยังไงสลับวันที่ยังไงงอเพราะเพราะคนเก่าเนื้อผู้หลูกไปแล้เนือผูงอไปแล้วเน่ยภาริยาเจ่าพี่กันวันที่ยังไงหลูกเลีงงอเนี่ยวันที่ยังไงสมมุติดาวีมดวันที่นังไงศูนย์แล้วบทศูนย์เนี่ยศูนย์พราคนเจ้ากับันทยู่อันบศูนย์าคนเากับวันท่ยังสมมุติใส่สมมุติใส่ก็บวันี่ดาวีมดกับวันสาคัญีมดนอกตัว ว่าสำคัญในอะไรถ้าเมื่อว่าสำคัญในอะไรอุปทานมันก็บงงนี่เนี่ยว่าที่สูนที่สำคัญตัวอยู่ในศูนก็มีอุปทานด้วยกันเนี่ยพระองค์สัตยาเป็นผู้ใดเรียนเสียงภาษาอิามามาจากข้าเป็นคนเี็กก็จะบริจาคข้าการียาเมสตาก็เป็นผู้มีเพื่อนในงานโตจัสสตาคนพูวง่ายสอนง่ายกินกาเรเนียสื้กตาควงขยันเอาใจใส่ในจิตจระของเพื่อนบ้าน หรือในทางว่ากับพิสามันเนในทางที่ชอบธรรมกามตตาความรักใคร่ในทามที่ชอบ ร, ร, ร, ร, รักใค ร, ร่ในการละบาปบำเพ็ญบุญวิริยะเทียนสวยเจระความเชื่อปกติควรดีนั้นโดยจินดีกระชานุ่งพ้อห่มอาหารที่นอนที่ร้างวรา ย, ย า, ทามทำมีทำได้สติจักรการที่ทำและทำี่พูดได้แม่นานไดาา้ปัญญาระพู้ในของขังขานการกรมเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงของขังขางนคือเเที่งเป็นทุกข์เป็นา น, นาตา หน้าถระคณะท่านคือท่านคี่ถึงของเจ้าของท่านี่อันนี้จะเรียกว่านี้คือถึ่งท่าบอมีก็บอม่คือผึ่งท่านก็ท่านประส้วงประท้วงนะนี่คือผึ่งนะครับแล้วผึ่งของเราไม่เนี่ยคือพะพุทธธรรมระท้วงมื่อคืึ่งร้องพิ่งตนจะไม่จมง่ายร้องเพื่งซึ่งผู้อื่นก็สมประท้วงบ้างไม่สมประส้วงสมบ้างร้องพิ่งตนจะไม่จมง่ายคือพรหมีของตน ข้อนพันพึ่งได้เ็ปไรเดเป็นก่วมเดือดทอดขอนดียันซึ่งได้เท้าเทปไรเดียก็เดือดทอนนี่ก็มาเดือดทอดเป็นพื้นของเราเทามาเดืเทปดียเดือด้อมันก็เดือดอนขนเดือดทอนมันก็ได้มาจะเรียกวาอากาศเท้าเทปมันห่อนมันจะห่อนเท้ามาเทปไเดียเดือดทอดมันก็มาเด้อดอเนี่เนี่ยเดินพาเด่นล้อเดินเบินเอาเป็นเครืเดือดทอดตัวคล้องนั่นเสียมอะ้รก็เดือดทอนเนี่ทางก่วมเดือดใอดตัวจะองมาทางก่วมจะเรื่องตัวจอง เห็นไฟเห็บ้านเหนเบอร์น้วนเบี้ยทาคมพอดีใส่กระของเดือดหอนทีไห้ที่ทาแล้วด้วยไฟวายใจใจถึงนั่นเดือดร้อนอย่าไฟหลังถึงนั่นอย่าไปทำทีนี้ที่ทาแล้วด้ววายใจใจไม่เดือดร้อนถึงนั่นจงทาเถิดพกที่เดือดร้อนนี่เสมอี่การทามาหาเลี้ยงชีวิตด้านเรื้องชีวิตด้านนึงด้านในเรื่อเห็นขฟเห็น้านเห็เบอร์ด้านหนึ่งเรีระบายจมุกเดือดหอดนี่ทั้งเดือดหอดฮะ นักเล่นห we like right? ิงนักเล่นสุน่านักเล่นในาติเขาั้นเขาคนตัวตัวเงียบมุนี่ีแต่เดือดเดือดห่นที่จะคล้องขน้นละเดียดข่านถ้ามางงานในห้างทดสอบมันจะเดอดหอทจะคองดมซุ่ามันจะเดือดห่อนที่จะค้องเวลาเมาดูของของพี่บ่าเมาเขาว่าปวดเดือดห่อนเนี่ยคาซ่าเมาเดืวดห่อไม่ห่าหอกเดือดี่อตายขึ้กันละเมาอยู่สไนดี้วิคากันข้ากันออกไปทอดทิพย์ทอดเดือท่านตนนี่เป็นตัวพึ้นของตนพราะว่าอัตเฮอัตโนนาโถตนเป็นตัพึ่งของตน ก็คือทำดีเป็นทพึ่ของความดีทำชั่วเป็นที่พึ่งของความชั่วให้พวกท่านดีท่านชั่วไปคิตใจกันเนี่นท่านดีล้วไปยื้อสความดีไปยืใจท่านชั่วเราเป็ชั่วไปยสยไปยื้อใจเัาอยู่คนอื่นเนี่ยความสิมันกับพระ่ัยขวงมคนอื่นมันคงจักติดยังยังดีว่าอากาศถ่ายหน่อมันคงจับความดีความชั่วยังมันดูถนอกจิดใจพวกอย่ไยให้ที่ของจับทำในในของจับดูตัวป้านี่เป็ของจัาด รว่าจะคล้องตัวไปอะไรกินค้องจะคล้องมจากอะไรรู Kenneth, ้ว่าผู้อื่นจะ่สว่ได้เพราะว่าเขาเชื่อเพราเขว่าเราไม่ถระยชนเียงเท่าเขาเหายเ้อะพียงเท่าควาควก็ควม่งส่คสิ่งก็ว่าเสื่อหายความมุ่ิ่งมันเชื่อหายเยพียเทาเขาจะเชืยอเาื่อเพียะเชืหาเกิดมารักษาตนเกิดมาปฏิบัติตนเกิดมาให้เงเกิดมากข้าความดีแค่ตน ประสาทสารได้ส่ ส, นนสามคนดียว้แล้วตั้งแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็รักษาความดีเขามเราแต่งสกับคุนคาของมนุษย์ไจ้งสิบเปิดคนทั้ง่ายเทวุเทวราได้เกิดมากว่าซ้ำความดีสมฐามนะเขาเมเลยกว่าเกิดมาลุกพุนเมื่อไรกำไรรถของกรรมแสกาสารคดเท่าท่านเตัวแล้วเกิดมากราก็ต้องฟังบุญต่อต้องสามความดีต่อเพื่อสูงสุะนะเป็นถึงนกักพลนิพพาน แล้วมันเกิดมากเบียเบียนจะคองพุกเกิดมาเนี่ยต่ถึงทั้งตัวเนี่ยก็เกิดมากเบียเบียนจะคลองพุ่เกิดมากต่ถึงทังควบดีเนี่ยก็เบียดเบียนจะคลองเดีก็เอาดีจะคลองเวบวกดีพู่เกิดมากต่ถึงทา้งควบตัวเนี่ยใจถึงในกันละแ้วหมดควบตัวก็เรียกว่าทีเอาตัวไปบวกตัวไหวจะสักกรผล่าห้าทับเล็เียกว่าที่เอาดีก็ดีไปบวกะสักกรหาเนี่เกิดมากเกิบวกดี เกิดมาักฟ้าตัวเมาลักนแล้วมันเกิดม่เดืเดียนจนท่เรื่อคัักเ่ากับตัวักัดด้วกันเขมากัดเีมากัท่านะตัวปวตายเขามากัดเตียรยงไรเอา